8. ภูตาโรจนณศสิกขาบท 61. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้บอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบัณฑะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธา ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธากล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกขรหัสฝังในภูตาโรจนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานคือหนึ่ง